ที่ผมหรืออาตมาจะนำมาเล่าสู่ฟังในวันนี้มันเป็นธรรมะอึดใจเดียวมันเป็นธรรมะที่จะเอาไปใส้กับชีวิตของเราได้มันจึงไม่ขึ้นอยู่กับใครทั้งหมดมันไม่ขึ้นอยู่กับตำรับตาลามันไม่ขึ้นอยู่กับครูอาจารย์มันขึ้นอยู่กับตัวการกระทาหรือวิธีทาเท่านั้นเอง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 ใจออกทํามาแล้วมันก็ดีแต่มันไม่ดีเพราะว่าเราไม่มองเห็นอะไรโดยมากคนไปนั่งสมาธิต้องไปดับตาหาว่าเป็นน้ำลืนตามันยังวอกแวกมันจึงไม่สงบงนะครับถ้าเราเข้าใจอย่างนั้นเราก็ไปเจาะเอาลูกตาเราออกเสียไม่ต้องให้มันมีลูกตามันจะดีกว่า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 นอนก็ให้มีสติรู้ท่านสอนอย่างนั้นแต่เท่านั้นก็ยังไม่พอท่านยังสอนให้มีสติเข้าไปกาหนดรู้ในอิทธิพลดย่อยคููเหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็าตามท่านสอนให้มีสติรู้อย่างนี้นี่เองจึงมีวิธีทำเพราะคนเราระดับสติปัญญาไม่เหมือนกัน การกระทำแบบนี้คนแก่ก็ทำได้พ่อบ้านแม่เลือนก็ทำได้คนหนุ่มคนสาวก็ทำได้เด็กนักเรียนก็ทำได้เพียงเรานั่งเก้าอี้ก็ได้นั่งพับเพียบก็ได้นั่งขัดสมาธิก็ได้ที่สุดนอนก็ทำได้เราพลิกมือขึ้นรู้สึกตัวมีจังหวะท่าทีทา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 ถ้าทำจริงทำจํางแล้วไม่เกินสามปีเพราะในตารามีอยู่ว่าผู้ที่จเจริญสติปัญญาสี่อย่างถูกต้องให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่ถันว่าอย่างนั้นอย่างนานเจ็ดปีอย่างกลางเจ็ดเดือนอย่างเร็วที่สุด ไม่ขึ้นอยู่กับใครทั้งนั้นจะรับรองได้อย่างนานสามปีอย่างกาหนึ่งปีอย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเก้าสิบวันรับรองได้นี่ความจริงมันต้องรับรองได้ถ้าคนรู้จริงเห็นจริงตามจริงมันต้องรู้สึกได้ นี่ศึกษากับธรรมศาสตร์พราะการเคลื่อนการไหววิธีใดก็ต้องรู้จะไปฝืนธรรมศาสตร์มันธรรมดาตามันอยากมองให้มันมองแต่ให้รู้มันมองมันพิษตามันเลือดซ้ายมันแลกหัวให้รู้มันอยากเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังก็ให้รู้เนี่ยท่านวันคนโบราณท่านยิ่งสอนว่าไปไหนมาไหน ต้องมองหน้ามองหลังทันไ่้อย่าไปมองแต่ข้างหน้าอย่างเดียวทันว้อันนี้เราไม่ฟังเราแก้ปัญหาตรงนี้แหละไม่ได้ฟังคําพูดเหล่านี่แหละไม่เป็นทำว่าเดี๋ยวหน้าเลี้ยวหลังก็ต้องหมายถึงมองไปข้างหน้ามองไปข้างหลังให้มันเห็นแล้วมองมาดูตัวเองให้มันเห็นทันว่าอย่างนั้นอันนี้เรามองไปแต่ข้างหน้าซิบไปแต่ข้างหน้า คิดไปเรื่องทำดีคิดไปเรื่องทำไม่ดีคิดไปเรื่องสวรรค์คิดไปเรื่องนิพพานเราคิดไปอย่ังอันสวรรค์นิพพานนั้นมันอยู่ในกำมือของเรานี่เองถ้าหากเราไม่รู้จะเรียกว่าสวรรค์มันก็ไม่รู้จะเรียกว่านิพพานมันก็ไม่รู้ถ้าเรารู้แล้วมันเอื้อมมือเดียวเท่านั้นเองเพราะมันอยู่ในตัวเรา คนโบราณท่านจึงสอนเอาไว้ว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจอนิพพานก็อยู่ที่ใจเนี่ยมันอยู่ที่ใจทั้งนั้นมเมื่อใด จ, จิตใจหกมุมน่นหุดหูมักนองอยู่กับสิ่งที่สุโบปกจิตใจเศร้าหมองจิตใจหุดหูจิตใจง้อยแงจิตใจคุณมัวจิตใจเสยสา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 สวรรค์กับนรกมันอยู่ในตระกุลเดียวกันเขาเรียกว่าโลกิยธรรมโลกุตตรธรรมก็ได้สวรรค์นิพพานก็ได้แล้วแต่จะสมมติพูดขึ้นมาให้มันรู้เรื่องัว่าตอนานี้สวรรค์กับนิพพานมันไปสายเดียวกันสวรรค์คือเรายังใครห่างใครจากนิพพานแต่มันจะไปนิพพาน เราไปติดวิธีนั้นไปติดวิธีนี้เราไม่ตั้งใจเดินไปหานิพานเอาสมมุติกันไกล่ได้เราอยู่บ้านเราเราจะเดินทางไปจังหวัดไหนก็ตามเราไม่ตั้งใจเราจะไปแวะที่นั้นไปแวะที่นี้ผลที่สุดไม่ถึงจังหวัดนั้นเขาเรียกว่าเอื้นโลกียธรรมแต่ตั้งใจไปแต่ไม่ไปไม่ถึงเขาเอื้นโลกียธรรม คือตั้งใจทําการทํางานอะไรก็ตามเนี่ยแต่ตั้งใจว่าจะทําให้มันเสร็จมันทําไม่เสร็จนั้นเขาเย่อ่โลคีญาธรรมวันนี้คนหนึ่งตั้งใจว่าจะไปอําเภอนั้นตำบลนี้หรจังหวัดนั้นจังหวัดตั้งใจลงเรื่องเราไปไปให้ถึงจังหวัดนั้นอําเภอนี้ตําบล น, นั้นตนนําบลนี้เห็นคู่คนหลักหรือไม่ จิตกระทาการงานของตาบล น, นั้นอาเภอ น, นจังหวัดนั้นอันนั้นเขาเดียวไปถึงจุดหมายปลายทางได้ว่าโลกอุตตรธรรมืรอจานณิพานก็ได้มันเป็นอย่างนั้นแต่เราไม่เข้าใจในคาพูดคาสอนเหล่านั้นเพราะมันเป็นศัพท์เป็นแสงคาพูดของคนอินเดียมันไม่ใช่เป็นคำพูดของคนไทยแต่คนไทยแทย้ๆอย่างที่ผม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 จงถึงซึ่งควมสิ้นไปแหงอาสวะของกิเลสนี่ของกิเลสที่สำคัญเครื่องดองสันดาษท่านกล่าวว่าผานิปานในอนาค ต, ตการเบื้องหน้านนเถินแต่เราไม่ยอมเสียสละไม่ละ ก, กิเลสที่มันปุก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 มันคิดขึ้นมาเราก็ทำความรู้สึกตัวรู้สึกใจ่ความคิดมันผุกอึดไปเองมันก็เสยเสหลักฐานเสยเสยันทนาวัรเป็นปกติปกติมันมีอยู่ดังนั้นทุกคนอันเสยเยนี้ผู้หญิงก็มีเสยเสยผู้ชายก็มีเสยเสยสงองเจ้าก็มีเสยเสยคนเฒ่าคนแก่ก็มีเสยเสย คนหนุ่มคนสาวก็มีเสยเสยลักษณะเสยเสยในทันเรียก ว, ว่าถ้าพูดเป็นสับแสงธรรมะแล้วทันวัดเอือ้ออุเปกขาก็เอือ้อเรียกว่าอุเปกขาวางเสยก็เอือ้อเรียกว่าสงบกรเอือ้อทันเดียว่าสุขอื่นนอกจากควมสงบไม่มีความสงบนั่นเนี่ยทันยววันนิพพานอันเสยเสยนั่นแหละทันเดียววนั น, ส, ส, น, น, น, นววสงบไม่เสยไป น, นั่งสงบ เฉยๆมันสงบทำการทำงานด้วยความสงบตากแดดตากฝนตากลมทำการทำงานด้วยความสงบนั่นแหละท่านเลยะสุขเก่นนอกจากความสงบไป ม, ม้แต่เราต้องเป็นนั้นให้มันสงบอันนั้นมันก็นดีแต่มันไม่เข้าใจความไม่เข้าใจตอนนี้สำหรับเป็นโทษอย่างหนักเป็นโทษอย่างมหันต์ไม่กันว่ายัง ให้ทางตรงกันข้ามความเข้าใจความรู้ความเห็นฟังแล้วเข้า อ, อกเข้าใจปฏิบัติตามนั่นแหละท่านวัดเป็นบุญเป็นกุศลเป็นมหาศาลหาอะไรจะเปรียบปานหรือเท่าเทียมไม่ได้เพราะความรู้สึกอันนี้นี่เอง ดังนั้นจึงไม่ต้องทำอะไรศึกษากับธรรมศาสตร์ถ้าคิดธรรมศาสตร์ก็ผิดปกติถ้าคิดปกติก็ผิดธรรมศาสตร์ดังนั้นศึกษาธรรมะศึกษากับธรรมศาสตร์ให้รู้ธรรมศาสตร์มันจริงๆคนเราต้องมีการคิดมีการนอนมีการไปมีการมามีการอาบน้ํามีการล้างหน้าแปรงฟัน มีการเข้าคลองน้ําลองส้วมมีการเข้าไปถ่ายอุจจาระปัสสาวะมันเป็นไปตามหน้าที่ของมันจึงศึกษาให้รู้ถ้าพระเจ้าสอนเรื่องทุกข์สอนคนเนี่ยให้รู้จักเรื่องทุกข์ทุกข์เกิดขึ้นเพราะที่ไหนไม่ใช่ทุกข์ไม่มีเงินไม่มีท้องหรือเจ็บหัวปวดท้องไม่ได้หมายถึงทุกข์เหล่านี้ทุกที่ โลวงพ่อหรืออาตมาพูดนี่ทุกหมายถึงความคิดมันถูกปงนแตกมันคิดสับสนวุ่นวายคิดมาแล้วหยุดไม่ได้คนนักเรียนนักศึกษาเรียนมากๆคิดคิดคิดหยุดไม่เป็นเป็นบ้าทัวคนนี้เ่มันเป็นอย่างไ น, น อันนี้แหละจ้ะความคิดที่มันสำคัญที่สุดเราต้องศึกษาต้องปฏิบัติให้รู้ให้เข้าใจมันคิดแล้วต้องทิ้งอย่าเข้าไปในความคิดความคิดเนี่ยเหมือนกับกระแสน้าเหมือนกับกระแสน้าเราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วพระพุทธ เ, เจ้าก่อนที่จะได้ตรัสรู้จับเอาถาหรือหัน นางสุสดาเอาเข้าไปถาไวายเอาพระเจ้านึกว่าเป็นเทวดาเอาพระเจ้าได้กินข้าในขันของนางสุสดาแล้วถามนางสุสดาว่ า, ะาวจะถวายแต่ข้าวหรือจะถาวายทั้งหมดถามนางสุสดานางสุสดาก็บาถาวายทั้งหมดไม่เอาอะไรกลับคืนเลยพระองค์ก็จับถาดหรือขันอนั่นแหละลงไปริมแม่น้ํา ออก็ไปนั่งอธิษฐานว่าถ้าหากข้าพเจ้าจะได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าข้ากิเลสตายขายกิเลสจุดเอาชนะทุกได้วางถาดหรือขันไปนี่แหละลงบนผิวน้นํานี่ให้ถาดและอันไปนี่แหละทวนกระแสของน้ําขึ้นไปถึงต้นน้ําโนด้นในทางตรงกันข้ามถ้าหากจะไม่ได้ตัดสรู้ ไม่ได้เป็นพรพุทธเจ้าขาดกิเลสไม่ตายขาดกิเลสไม่หลุดเอาะ น, นทุกไปได้วางทาดและขันใบนี้ลงไปบนผิวน้ำนี้ให้มันไหลไปตามกระแสของน้ำมาอย่างนั้นพอได้พูดจบแล้วก็เลยวางทาดขนานันอันนั้นลงไปทาดขันอันนั้นก็ลทวนกระแสของน้ำขึ้นไปถึงต้นน้ำก็ไ ป, ำไปจมลงที่ตรงกระนาบนอนนับอยู่ไป ซ้อนเข้าเป็นหมอนให้ฆราณ์นอนอันนั้นมันเป็นปุกขาธิฐานอันนั้นมันเป็นปุกขาธิฐานให้เข้าใจจึงว่าทำมาธิฐานอบขาธิฐานเนี่ยทำมาธิฐานท่านรมรรตธรรมอะโตเป็นตีเป็นบุคคลขึ้นมาฆราณ์น น, นอนหลับเนยคือว่าเหมือนเหล่านี่แหละนอนหลับทับศิรลงตนลืมตัว ไม่คิดถึงคิดถึงใจยอดนอนหลับทัศน์จิตดังนั้นทวนกระแสของน้ำคือทวนกระแสของความคิดมันคิดอยากไปเราไม่ต้องไปมันคิดอยากขับล้ำทาเพลงเราก็ไม่ต้องขับลําทําเพลงมันอยากดื่มสุราเราก็ต้องไม่ดื่มสุรามันอยากใส่สิ่งของอะไรต่างๆแปลกๆทันสมัยเขา ก็ไม่ต้องใส่อย่างนั้นให้ใช้ชีวิตเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาใช้ชีวิตเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาธรรมะจึงเป็นธรรมดาพิดธรรมดาไปแล้วไม่ใส่ธรรมะมันเป็นอาธรรมทันว่าอย่างนั้นดังนั้นการพูดการสอนและผู้ฟังกับผู้สอนให้เข้าใจกัน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 การกระทำแต่ทำอย่างไรทำให้รู้สึกตัวตื่นตัวทำให้รู้สึกใจตื่นใจคนบูราณท่านจึงสอนเอาไว้ว่าอย่าหลงตนอย่าลืมตัวอย่าหลงกายอย่าลืมใจเนี่ยท่านสอนเอาไว้แต่เรามันหลงตนลืมตัวหลงกายลืมใจไม่รู้เท่าทันของคมคิดมันเป็นคนเป็นกลยขมคิดนี้ คนโบราณท่านจึงสอนเอาไว้ว่าความคิดคนนี้เมือกับลีงท่านไว้ควคิดมันออกอับได้ไวความคิดคนเมื่อกับลีงลีงเนี่ยมันอยู่นิ่งไม่ได้แล้วก็เอาไม้ไปแย่มันแล้ว ก, ก็โดดโหลดเต้นจากโน่นจากนี้มันเป็นอย่างนั้นควคิดก็เหมือนกันท่านไวควมคิดของคนไม่จึง อ, ออกอับได้ไว มีลานไขในตนเราท่านควรบังคับคนให้จิตยนตหมุนมาแต่ในทางข้างดีเพราปล่อยให้จิตหมุนไปในทางข้างขี้ธรรมที่มีก็จากหนีจากไหนาหายสูญอะธรรมเข้าข้องน้ำความและยันสมมูรณ์ก็ปีนออกหลอกตนนี่มันหลอกเราดังนั้นพวกกรรมฐานไปนั่งภาวนา แล้วเห็นเลขเห็นบัตรเห็นเบอร์เพราะไม่เห็นจิตใจนี่เองเพราะไปฝึกกรรมฐานมันไม่ได้ฝึกตัวเองมันไปฝึกนั่งหลับตาไปฝึกอะไรต่างๆแลนะมันเลยผิดธรรมศาติผิดธรรมดาเมื่อผิดธรรมศาสตร์ผิดธรรมดาอ้อแสดงว่าไม่รู้ธรรมศาติไม่รู้ธรรมดามันก็ลอกเราเอาเสียเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ ดังนั้นจึงศึกษากับธรรมศาสตร์ศึกษากับธรรมดาไม่ให้มันหลอกเราเรารู้เท่าทั น, นกลไกหรือมายาของอจิตใจนีไม่เป็นธรรมที่มีก็จากนี้จากไหหายสูญก็เราไม่รู้นี่เองอันควรไม่รู้นั้นภาษาธรรมะเดี๋ยโมหะอาษ า, าธรรมะเดี๋ยวโมหะ อาสาขึ้นบ้านเลยวะหลงตนลืมตัวหลงกายลืมใจไม่รู้ตัวไม่รู้กายไม่รู้ใจพันวาจอย่างนั้นดังนั้นจึงศึกษาหาของจริงจริงไหมมองเห็นต้นไม้มองเห็นคนเดินไปมองเห็นคนนั่งมองเห็นคนนอนเนี่ยอันนั้นจริงไหมนั่นแหละตาหน้าที่ของดูหูจึงเป็นหน้าที่ของฝัง แต่ตาดูตามันไม่รู้หูฟังหูมันไม่รู้คือโตัวใจมันรู้มันเป็นทานมันเป็นทางเดินของจิตขอใจมันเป็นทางเดินของกิเลสมันเป็นทางเดินของอวิชชาคือคมไม่รู้มันเที่ยวเข้าเที่ยว อ, ออกเดินไปเดินมาเราไม่รู้แบบนี้เรามาศึกษากับธรรมศาติ เราไปไหนมาไหนมันนึกมันคิดเราเห็นเรารู้เราเข้าใจพอดีมันถูกเห็นคุาคิดมันถูกหยุดทันทีเหมือนเราขุดบ่อน้ำขุดกระหมายฝักเราขุดหาน้ำ้ำไม่จับขุดสูงสูงก็าตามขุดเดินคูผุก็ตามแล้วขุดที่ลุ่มที่ดอนขุดที่ไหนก็าตามแต่พื้นดินนี้ต้องมีน้ำทุกขนทุกแห่ง ขุดลงไปลึกๆไปเจอน้ําแล้วน้ํากับตมกับเรนนะมันอยู่ด้วยกันเมื่อไปเจอน้ำแล้วขุดลึกๆ ล, ล, ลงไปเราก็เป็นหน้าที่ตักตมตักเรนออกทิ้น้ําอยู่ข้างในมันจะไหลตะกอนออกมามันจะไหลออกมาให้หมดเลยเราก็เป็นหน้าที่ตักตมตักเรนออกให้หมดตักออกตักออกวิทยออก อ, อกตักกับวิตเป็นอันเดียวกันนะออกตมมืลนออกหมดแล้วน้ํามันจะไหลตะกอนออกมาปต่มันยังขุ่นยังหวัวยังสกปร ก, กน้ําน้นยังใสไม่ได้ควนปากอ่อเขา้าให้มันล้างตมล้างเลนล้างตะกอนเหล่านั้นออกตักออกตักออกเมื่อตักออกหลายครั้งหลายคนล้างหลายครัง้งหลายคนน้าก็สะอาดขึ้นมา เมื่อน้าสะอาดแล้วเอาไปใส้อะไรก็ได้ดังนั้นจิตใจที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ทานวาอย่างนั้นจิตใจไม่ต้องฝึกมันฝึกกิเลสฝึกโตัวนึกตกคิดนี่แหละมันเที่ยวมาวเราเห็นเรารู้ถ้าเราไม่เห็นเราไม่รู้ก็แสดงว่าเราไม่ได้ฝึกกิเลสก่จิตใจนั้นมันดีแล้วไม่ต้องไปฝึกมัน จะไปมันทำไมจิตใจมันเป็นปกติอย่างนั้นเกิดมาแล้วมันก็มีปกติอยู่อย่างนั้นอันปกตินี่แหละท่านว่ามันเป็นธรรมศาสตร์มันเป็นธรรมดามันเป็นอยู่อย่างนั้นจะทำการทำงานพูดคิดความปกตินั่นก็มีนิเตีย อ, อุปมาหลายอย่างที่นำมาเล่าให้ฟังหลายครั้งหลายสมมติเอาอย่างดวงอาทิตย์หรือพระอาทิตย์ หรตาเวนเราสมมติขึ้นไดมางคนว่าตาเวบนบุตรหร้าบุรดวงอาทิตย์บนุนี่เราว่าอย่างนั้นแต่คจริงตาเวนไม่บุรดวงอาทิตย์ไม่บุตรฝ้าไม่บุมีเมฆเลดย้าหรือเสื่อบ้านเราเมือเมฆมันลอยไปตามลมมันก็เป็นฝั ง, งดวงอาทิตย์นั่นแต่ดวงอาทิตย์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 จะหาธรรมะก็เลยว่าธรรมะคืออะไรอยู่ที่ไหนไม่รู้เลยแสดงว่าศึกษาธรรมะไม่เข้าหลักไม่ว่าคนอื่นแหละตัวเองก็เคยทำอย่างนั้นแึ่ว่ามันศึกษาไม่ถูกไม่ตรงดังนั้นการเลือกหาครูบาอาจารย์นั้นต้องเลือกหาครูบาอาจารย์ผู้สอนของจริงคนมีดีแล้วเอามาพูดให้เราฟัง เอาของดีนั่นแหละ le, มีในตัวคนนั่นแหละ le, มาพูดให้คนฟังดังนั้นเมื่อเรารู้ตัวเราเห็นตัวเราเข้าใจตัวเรารู้จิตรู้ใจรู้ชีวิตของเราจริงๆเลยยกมือไหว้ตัวเองก็ยังได้เพราะเราไม่นึกไม่ฝันว่าเรามีดีขนาดนี้เมื่อเราไม่เห็นของดีมีในตัวเราเราก็ยกมือไหว้ตัวเองได้ การยกมือไหว้คนอื่นนั้นลอยข้างพันคนสู้ยกมือไหว้ตัวเองข้งเดียวไม่ได้เอมันมเป็นงไงไมจึมันมีค่ามีคุณมากยกมือไหว้ตัวเองนี่เมื่อไหว้ตัวเองแล้วก็เป็นการไหว้คนอื่นได้เพราะเราทำดีเราพูดดีเราคิดดีคนอื่นทุกคนไปต้องการทำดี ต้องการผูดดีต้องการคิดดีดังนั้นคนใดยกมือไหว้ตัวเองแล้วนั่นแหละที่ว่าเป็นคนดีไม่แต่แบบยกมือไหว้คนอื่นเราเห็นตัวเรากําลังยกมือไหว้เราเห็นจิตเห็นใจกําลังอ่อนน้อมท้อมตนยกมือไหว้คนนั้นคนนี้อันนั้นแหละท่านว่าเป็นคนดี อันนี้เราไม่เคยเห็นจิตเห็นใจเห็นเขายกมือไหว้ก็ยกมือไหว้ไปตามเขาไม่เห็นจิตเห็นใจบางที่คนยกมือไหว้คนอื่นจิตใจคิดอยากไปทําร้ายเขาก็มีนะนัเป็นอย่างนั้นอันนี้แสดงว่ามันมีการขัดแย้งอยู่ในตัวมันเองเมื่อมันมีการขัดแย้งอยู่ในตัวมันเองก็มีความสับสนวุ่นวาย